ชาววัดชีบุตรท่านเป็นลูกของชาววัดชีมีลูกชายคนเดียวไปบำเพ็ญสมนัธรรมอยู่ที่ป่าช้าและท่านมีเพื่อนฝูงที่เป็นชาววัดชีบุตรชาววัดชีนั้นต้องอพวกพญาติพระวง์ของกษัตริย์ก็มีเยอะที่เป็นเพื่อนฝูงกัน อันนั้นกำลังเดินจงกลมอยู่ในป่าช้าคนเดียวแล้วได้ยินเสียงเขาบอกเขาจะไปเล่นอะไรนี่แหละเล่นอย่างนี้แหละคนสนุกสนานแต่ทั้งนั้นเรียกว่าเล่นนักสัตว์อะไรก็คงจะอย่างนี้มีของเราก็าคงเรียกว่าเล่นที่เกล้าคอห น, นังอะไรไปอย่างนั้นนะแต่ขั้นพุทธการเรียก่านักสัตว์ ฟังเสียงเอตโลโฮเฮกันไปข้างๆป่าปชาท่านกำลังบำเพำ็ญธรรมเดินเดกลมอยู่ในขนาะนั้นเกิดความมิตตกขึ้นในใจเขาก็ยังมีความส น, นุกลื่นเล ง, ง, งแต่เรามาอยู่ในป่าชาซึ่งเป็นป่าชาผีตายทั้งนั้นเนะ เป็นคนที่ได้ข่าได้ราคาที่สุดก็คือเรามาอยู่กับคนตายเขายังมีความสนุกรื่นเริงกันแต่เราหาความสนุกรื่นเริงนีมไม้ได้มาอยู่กับคนตายเราเป็นคนหาค่าหาราคาไม่ได้ตาหนิเจ้าของพอหยุดจากการตาหนิเจ้าของลงก็ปรากฏว่าเทวดามีเทวดา มายัำยังอยู่ที่อากาศบอกลงมาว่าท่านจะหาคนเช่นไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าท่านซึ่งอยูบำเพ็ญสมณธรรมในป่าช้าเวลานี้พวกนั้นเขาไปตามความโง่เหงาเขา ป, ปัญญาของเขาต่างหากเขาไม่ได้ไปด้วยอัด้วยธรรม้วยความู้ความฉลาดที่จะยังตนให้พ้นจากทุกนี่เขา ไส่งเสริมมตัตะความหมุนเวียนเปลีป่นนยนแปลงเี่ยวกับเรื่องความเกิดความตายตทั้ำๆซ า, ากๆไม่มีมันเลิกมันแล้วสักทีเพื่อเขาไปสมสสมกองทุกข์กันต่างหากท่านเป็นผู้เห็นภัยในกองทุกข์ทำไมท่านถึงไปชมเชยสิ่งที่เป็นกองทุกข์อย่างนั้นการทําความเพี่ยนเพื่อสามารถทําให้จิตใจได้รับความสงบเพ่นตัวเพ่งัย ในความเกิดแก่เจิดตายเป็นความชอบทาแล้วที่ท่านดำเนินอยู่เวลานี้จะมีใครเล่าเป็นผู้มีจิตใจสาอสแสวงหาเพื่อความหลุดพ้นอย่างท่านนี้ท่านควรจะยินดีในการบําเพ็ญของท่านและท่านเป็นผู้มีคุณค่ามากในขณะที่ท่านบําเพ็ญอยู่เช่นนี้เพราะว่างั้นได้สติทันทีเลยเทวดามายับยั้าบุญองค์การ แล้วรองบอกลงมาเลยได้แล้แ ล, ลึกได้ทันทีก็บำเพ็ญธรรมะทำในคืนวันนั้นปรากฏว่าได้บรรลุถึงที่สุดเนี่ทำในคืนวันนั้นเลยก็แสดงว่าจติตของท่านไปอย่างรวดเร็วนี่เป็นอย่างนี้เองเมื่อกเหลืกมันมากสิ ว่าการทำที่นั่นจะ น, นั่นดีการทําสิ่งที่ดีว่าไม่ดีแล้วฝ่ายธรรมะที่มาช่วยวัสนธารารมีของท่านมีเทวดามันชุดลากขึ้นให้ได้สปิดสตังก็าวบองเต็มเพีย น, นไปบรรลุธรรมในคืนวันนั้น น, น, น, นี่ว่าวัดชีบุตรคือเป็นบุตรหนุ่งชาววัดชีมีลูกชายคนเดียวเป็นเศรษฐีด้วยพ่อแม่เป็นเศรษฐีมีเงินมากมายกันกอง มีเวลามันกล่องนั้นก็กล่องได้อย่างนั้นต้องกินเด็กแต่อาศัยคติธรรมที่เทวดามามันก็บำมาอวยพรให้มาชี้แกให้เห็นโทษเห็นภัเห็นคุณเห็นประโยชน์ทั้งสองด้านแล้วท่านก็เข้าใจและบเรรำเพ็ญพิณําจนได้บรรลุถึงทํามันสูงยอดมันรู้สึกว่าท่านเป็นคิดปัญญาอยู่เช่นเดียวกัน ถ้าว่าจิตของท่านมีขั้นมีภูมิที่สูงละเอียดขึ้นไปแล้วสงควรที่จะบรรลุในคืนวันนั้นท่านก็ไม่ควรจะวิตกวิจารณ์ไปเช่นนั้นเพราะความไม่ตกวิจาร์เช่นนั้นหมายถึงจิตที่ยังไม่มีภูมิหรือยังไม่พ้นจากภูมิอันนี้ไปท่านจึงต้องตทำหนดตนแต่เมื่อได้สติแล้วท่านก็พิจารณาข่าน คงจะไปได้อย่างรวดเร็วพิกไปเป็นลำดับๆ ด, ด้วยสติปัญญาจนสามารถแทงทะนุจัดจะทำได้ตลอดตัวถึงพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าช้าเป็นเครื่องเทียบเขาเทียบเราระหว่างเราที่ยังไม่ตายกับเขาที่ตายแล้วเป็นอย่างไรให้มาเทียบเคียง จิตเมื่อได้ก็ไปสู่สถานที่นั้นย่อมไม่เกิดความพเพื่อเพยจะเห็นความสลดช่งเวทในะความเกิดแก่เก็บตายของเขาของเราแล้วจิตจะได้มีเบรคคือมีการยับยั้งช่างตัวพิจารณาหาทางออกโดยชอบทำทันจินซอนให้อยู่ป่าชา้าคือจิตนิ่งไปอยู่สถานที่ที่อย่างหนึ่งเป็นอย่างไปที่อย่า ง, งเป็นอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือสิ่งแวดล้อม ไปอยู่สถานที่เปลี่ยวๆอันก็ไม่ทราบว่าจะไปคิดหาทิ่เละตัณหาอาสวะประเภทใดปลาเปลี่ยวๆ ย, ยังมีสิ่งบังคับให้ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยแล้วใครจะมีโอกาสคิดสั่งสมกิ่เละขึ้นมานอกจากจกพิจาจรณาโดยทางธรรมเพื่อถอดถอนตอนเด่นไปโดยลำหนับทั้งนั้นก็ไม่มีอย่างอื่น ท่านต้องสอนให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเพื่อเป็นความไม่ประมาทนอนใจเราจะเห็นได้ในตัวของเราเองผู้บําเพ็ญธรมนธรรมอยู่แล้วอยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่คือมีเพื่อนฝูงและสถานที่ไม่น่ากลัวถึงจะมีความเพียรอยู่มีจิตเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ตามความเพียรก็ไม่คืบได้อย่างรวดเร็เรวเหมือนกับไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยว รู้สึกมีความอึดอัดเมื่อยล้าเหมือนกันในขณะที่อยู่กับเปิดอูปมมากๆและสถานที่ไม่น่าจะระมัดระวังอะไรไม่เป็นสถานที่ปลอดภัยจากสารร้ายต่างๆมีเสือเป็นตน้นการบำเพ็ญของรู้สึกว่าไปอย่างเชงช้า แต่พ่อกล้าเขาไปสู่สถานที่ต้องระมัดระวังทั้งวันทั้งคืนแล้วนั้นมันเป็นความเพียนอยู่ตลอดเวลากลางวันก็มีสติระมัดระวังตั้งตัวอยู่เสมอยิ่งกลางคืนโดยแล้วก็ยิ่งจิตยิงตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังคือระวังอยู่ภายในตัวไม่ให้จิตเผลอไปคิดเรื่องอะไรเช่นคิดเรื่องเสืออันี่ก็เป็นภัยจากตนแล้วแม้เสือไม่มีก็ตามความคิดนั่นก็เป็นไปคือเขาเยาะเราให้เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวขึ้นมาเป็นทุกข์อันหนะนึ่งนี่ การสั่งสมทวิเลศขึ้นมา ค, คือความกลัวแล้วก็เป็นผลให้เกิดความทุกข์่งเนื่องมาจากความกลัวเพราะฉะนั้นความคิดในแง่ต่างๆที่เป็นภัยแก่ตัวเองจึงต้องรีบแก้ไขในขณะนั้นๆไม่ให้ไม่ปล่อยให้มันเรื่อ่อนไปตามความคิดความนึกนั้นซึ่งจะเป็นเหตุให้ก่อความวุ่นวายขึ้นแก่จิตใจของตัวเองแล้วหาความสงบสุขไม่ได้ แต่ส่วนมากผู้ที่ไปอยู่ในป่าเปลี่ยวอยู่ในที่ชนั้นต้องเป็นผู้ตัพิจารณาตัวเองพอสุมควรแล้วว่าจะจะไม่ถอยหลังถ้ายังมีความขายะแขยงอยู่ก็ไม่กล้าจะไปต้องเป็นผู้ตัดสินใจตนลงโดยโดดเด็ดเดี่ยวว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วก็ตัดสินใจไปเมื่อไปแล้วเจตนาเดิมนี้กลับไปอยู่สถานที่นั้นต้องให้กลมกลืนเป็นเดียวกันก็นเรามาแล้วด้วยความเสียสละ ทำไมอยู่แล้วเวลามาอยู่จะไม่เสียสละมีหึงหวงอะไรเสียดายอะไรอยู่โน้นก็เลยพิจารณาแล้วก็คือร่างกายอันนี้ชีวิตอันนี้ซึ่งตนถือว่าเป็นของที่มีคุณค่าก็ยังกล้าเสียสละได้ถึงก้าเข้ามาสู่สถานที่ชนนี้เมื่อก้าเข้ามาสู่สถานที่นี้แล้วร่างกายจิตใจนี้มีคุณค่ามากขึ้นเพียงไรจึงต้องรักถึงต้องสงวนไม่ยอมเสียสละก็คือร่างกายจิตใจอันเก่านั่นแหละเหตุใดจึงจะเสียสละไม่ได้ อยู่น้นก็มีความตายอยู่ที่นี่ก็มีความตายไปอยู่ในสถานที่ใดความตายก็เท่าตัวไม่อมีลถหย่อนผ่อนคลายลงได้เลยแล้วกลัวอะไรน่ะคืออุบายสอนตนเองอะไรอยากมากินก็กินไปสิเขากินก็อิ่มในวันหนึ่งแล้วเขาก็ตายในวันต่อไปแล้วตายในวันนี้เขาก็ตายในวันหน้าความตายมีเสมอกันขอตายให้ตายอยู่ในสนามรบคือสงครามระหว่างวิเลตกับธรรมให้ได้ชัยชนะ อย่าได้ร่งเผ อ, อย่าได้ทอ้อถอยอ่อนแอตายก็ตายอย่างนักรกคือตายในสงครามไม่หวั่นไหวเมื่อเราได้พร่ำสอนจิตของเราอยู่ทุกระยะที่จะคิดออกไปนอกลูกนอกทางอันจุ ก, ก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอยู่แล้วจิตก็ไม่กล้าจะคิดเพราะสติบังคับบัญชาอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นแหละคือความเพียนเมื่อความเพลียนเป็นไปอยู่ด้วยสติเป็นไปอยู่ด้วยปัญญา ระมัดระวังตัวอยู่เช่นนั้นจิตย่อมกล้าเข้าสู่ความสงบได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยสงบก็สงบได้โดยประจักษ์แก่จิตใจของตนซึ่งไม่ต้องถามใครเลยเพราะความที่จิตสงบนั้นภายในตัวเองนั้นเป็นความไม่ขอควรต้องดึงเรื่องราวอะไราหายไปหมดเรื่องกลัวก็หายเรื่องอะไราหายไปหมดยังาเนือแต่ความมุ่วล้วนที่เด่นอยู่ด้วยความเที่ยงตรงของจิต ในขณะนั้นเป็นความสุขความสบายปราศจากความวุ่นวายสิ่งก่อควนต่างๆโดยสิ้นเชิงเพือแต่ความรู้กับความเย็นสบายหนันี่คือผลแห่งการระมัดระวังความคิดความปรุงของตัวเองที่จะออกมานอกรูปนอกทางด้วยสติด้วยปัญญาที่ยึดอ่านใจตรองหากห้ามจิตใจด้วยปัญญาทาความรู้สึกความคิดต่างๆด้วยสติ คิดออกประเภทใดสติรับรู้รับรู้รรปัญญาคอ่คอยตัดค่อยฟันค่อยหกักค่อยห้ามด้วยเหตุโดยผลจิตจะเหนือเหตุผลไปไม่ได้ยำก้าวเข้าสู่ความสงบได้อย่างสบายสบาเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ความสงบด้วยเหตุผลันเหมาะสมแล้วเราจะอยู่ในที่เช่นไรอยู่ได้ทั้งนั้นไม่จะถือว่าที่นี่เป็นภยัยที่นี่มีเสือที่นี่มีท้าง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 จะแสดงว่าถึงการแล้วในที่ไหนจะประคัดค้านให้มันไปที่ไหนอีกจะไปคอยตายวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เมื่อถึงวันพรุ่งนี้เข้ามาแล้วจะอะไรมาคัดค้านนีกมันก็คัดค้านไม่ได้มันก็คือความตายอยู่ดีๆนี่เองภายในตัวของเรามันเป็นก้อนตายพูดยังไงน่นอุบายวิธีพิจารณาเพื่อหักห้ามจิตใจของตนไม่ให้มันออกนอกลูนอกทางอันเป็นเหตุที่จะสั่มฝนเกิดขึ้นมา เราไปเดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาในป่าเราก็จะถถอนกิเลสไม่ใช่เพื่อจะไปสังสมกิเลสมีความหวาดกลัวเป็นต้นขึ้นมาภายใน จ, ใจิตใจให้ได้รับความเดือดร้อนนรท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านเห็นคุณค่าแห่งการชำระแห่งการดัดแปลงแห่งการฝึกฝนธรมานตรเองอย่างประจักษ์ใจ ท่านจึงไม่สะทกสถานในการที่จะไปอยู่ในสถานที่ใดก็าตามขอให้เป็นที่เหมาะสมต่อการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นเป็นที่พอใจความอดอยากอากาศแคมท่านมาถือเป็นสิ่งสจ ำ, ำจําเป็นยิ่งกว่าการมันเป็นพเธรรมด้วยความสะดวกสบายธรรมจึงมีความเจริญขึ้นเรื่อยคําว่าธรรมก็คือความสงบร่มเย็นและอุบายแยบคลายต่างๆซึ่งเป็นเครื่องจัหัสอาหารกิเลสได้แก่สติปัญญานี่แหละ ก็ทางานกันไปเรื่อยๆเรารู้เห็นสิ่งต่างๆซึ่งไม่เคยรู้ก็เห็นแต่ก่อนเราไม่เคยภาวนาหรือภาวนาอยู่ในฐานที่ธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งแต่กล้าเข้าไปสู่ในที่เช่นนั้นความรู้ความเห็นแปลกประหลาดปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายต่างๆของบัญญาที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับกฏวัญญาของกิเลสก็เกิดขึ้นเรื่อยๆสติก็สืบต่อเนื่องกันเป็นลําดับลําดาบนะกิเลสก็หมอบลงเป็นลําดับกิเลสมอบท่านั้นใจก็เย็น ถ้ากิเลดออกพุกพลานแล้วใจก็ต้องร้อนเพราะพุกพ่านหาเหตุหาผลนี่กิเลดมันต้องหาเหตุในทางไม่ดีหาผลอันเป็นความทุร้อนทรมาใส่ตัวเสมอถ้าปล่อยให้กิเลสพุกพ่านมากน้อยเพียงไรก็แสดงว่าปล่อยให้กิเลสประกอบพอองความทุกข์มาเผาลุ่นดัวเองตั้งที่มันตั้งทั้งมัมีกองไฟยู่ภายในหัวใจแต่ก็ร้อนยิ่งกว่าไฟเพราะไฟของกิเลสมันร้นอนกว่าไฟอะไรทั้งหมดดังนั้นจึงต้องระมัดระวังให้มัน ิดในเวลาเช่นนั้นเมือ่อฝึกฝนปป น, น, นานก็เลยกลาเป็นความเคยชินขึ้นมาสติสตางค์ก็ดีไปอยู่ในที่เช่นลายก็เลยดีไปเรื่อยๆความเย็นใจอะไรจะเย็นยิ่งกว่าใจที่สงบใจที่สงบลงในขนาะนั้นก็เย็นนะ้เห็นไปจักใจที่เย็นด้วยฐานของตนที่มีพื้นเพออันดีเพราะอํานาจแห่งสมาธิ ที่สมบรวมลงมไหลคลั่งไหลหงุดจนกลายเป็นฐานขึ้นมานั่นก็เป็นความสุขเวลาออกแยกออกพิจารณาทางด้านปัญญาพอาแยกไปหมดพิจารณาไปหมดต้นไม้ภูเขากับแยกทำให้มันเห็นรวมฐานรวงขันแม้แต่สัตว์แต่เสือก็เป็นธาตุเป็นขันเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งหเท่านั้นจะไปกลัวไปเรียนกันเรื่องอะไรหาเหตุหาผลไม่ได้นั่นคือวิบายของปัญญา พระพุทธญาทรงสั่งสอนไว้สําหรับพระสงฆ์ได้บําเพ็ญด้วยความสะดวกเพื่อการตออรตรจลิตโดยชอบธรรมนั้นทานจทีสอนเป็นจุดําคันําคั ญ, ญเป็นลูกโมลูลฤๅษีนาสํานังนสิสาญาปภชัดะถาเตยยาบกิวังอุซ่าโหกานยุกน่นไล่เข้าไปในป่าในเขานู่นอยู่ตามลูกขมูลร่มไม้ในป่าชายเขาที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบําเพ็ญสำนัธรรมอันเป็น เหตุที่ให้ฆ่ากิเลสภายในจิตใจให้ผาดลายปวงไปโดยลาดับจนกระทั่งไม่ม yes ีก so ิเลสตัวใดเหลือหลออยู so on, so on, ่ภายในจิตใจได้เลยเพราะสถานที่เช่นไหลท่านก็สั่งสอนให้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นอุบายวิธีต่างๆที่สอนสอนเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อแก้กิเลสภายในจิตใจทั้งนั้นบรรดาธรรมทั้งหลายที่สอนไม่ได้สอนเพื่อการสังสมกิเลสแต่ที่เรานํามาสังสมกิเลสทําแทนที่จะกลายเป็นเครื่องแก้กิเลสกลับมาเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสเพราะหัวใจมีกิเลส มีอานาจมากที่จะน้อมทําเข้ามาเป็นกิเลสได้มันก็เป็นไปได้นี่แต่ทํามนิกรีมทั้งสอนอย่างนั้นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมยังมีทางที่จะแก้กิเลสไปโดยลาดับนับตั้งแต่ครั้งพระสการมาจนกระทั่งปัจจุบันจะไม่เป็นอื่นเลยกิเลสยอมหรือกลัวตั้งแต่ทำตอนนั้นนอกจากธรรมกิเลสไม่กลัวอะไรทั้งหมดในบรรด า, นานโลกฐานนี้ธรามาทําคืออะไรวิริยะธรรมเนี่ยขันติธรรม วิญญาคือความเพียรคันติคือความอดความทนสติก็คือทำรรสติธรรมปัญญาธรรมหมุนกันเข้าไปกิเรตอยู่ที่ตรงไหนเครื่องมือเหล่านี้หรือธรรมเหล่านี้หมุนเข้าตัวเข้าไปตรงนั้นกิเรตขยับขยายไปไล่ส่งกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีกิเรตตัวใดเหลืออยู่อพอแม่ปู่ย่าตายายที่เคยสร้างหลกักสร้างฐานสร้างโคดสร้างแสบอยู่ในหัวใจเรามามากมายกลายกองเป็นไร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 ผู้ที่กล้าหานไม่เข้าท่าเข้าทีไม่รู้เรื่องรู้ราไม่รู้จักเป็นจากตายก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นจึงต้องได้แบกได้หามต้อทุกตลอดมาไปอยู่ที่ไหนก็บ่นยังงทุกบ่นยังทุกจะไม่บ่นยังไงเราเปน็นคนปกอบเปนคนผู้สอบเสวยังหาทั้งวันทั้งคืนเดินนอนมีดแต่การสังสงขีเดชขึ้นมาทั้งนั้นเมือ่อขีเลชเกิดขึ้นมาแล้วมันทํางานของมันบนเหัวใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็บ่นให้มันบ่นมันก็ไม่กลัวถ้าไม่ทาลายมัน เราจะวัดกิเลสเป็นเทียบของก็ด้านวัตถุแล้วพระอรหันต์ท่านท่านนั่งท่านบำเพ็ญเพียเพียรเพื่อความเป็นพระอรหันต์ท่านมีความเพียรแก่กล้าสามารถขนาดไหนถึงจะอาจเอื้อมถึงภูมินั้นได้ก็ต้องเป็นผู้มีความเพียรสมเหตุสมผลกันความเพียรมีมากเพียงไรี่เหลสก็ตายไปเลยตามทางจมกรมสถานที่นัง่งที่นอนนีแต่ ป่ายชักองค์กิเลสที่ท่านฟาท่านฟันหั่นแหลกกันลงไปโดยลํำดับเพราะสติสตังคือความอันเป็นความภาคเลี่ยนนี้ท่านทํางานอยู่ตลอดเวลายืนอยู่ท่านก็ทําเดินอยู่ท่านก็ทํานั่งอยู่ท่านก็ทําก็ไปเดินจงกรมอยู่ท่านก็ฆ่ากิเลสนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสเว้นแต่เวลาหลับตอนนั้นแม้แต่เวลาขบชันอยู่ท่านก็ฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญาซึ่งทํางานอยู่ตลอดเวลาในยาบทต่างๆมีแต่ยาบทที่เป็นนักรบทั้งนั้นฆ่ากิเลสอาสวะไม่เด็ด นั่งสังสมกิเลสเดินยืนสั่งสมกิเลสนอนสังส่งสมกิเลสเดินจงแม้เดินจงกรมก็สังสมกิเลสเหมือนอย่างพวกเราเพราะเขาไม่มีสตินี่มันผิดกันอย่างนี้เดินจงกรมหยอกหยอกสองสามเก้าสี่เก้าแล้วเียเสียแล้วไม่ไหวแล้วนี่นอนซะดีกว่ามันดีกว่าอะไรก็ไม่รู้เราเคยดีกว่ามานานแล้วไม่เห็นจะเป็นท่าเป็นทางเนี่ยดีกว่าไม่เป็นท่าคือพวกเราเนี่ยนั่งพอนาบ้างนึกได้กี่นาทีก็โห้เหนื่อยแล้วนอนซะดีกว่า มันดีกว่าอะไรก็ไม่รู้นี่พวกดีกว่าแต่ไม่เห็นดีก็คือพวกเราเนี่ยมันดีแต่ชื่อดีตัวเรื่องของกิเลสเรื่องของทํามันไม่ดีแล้วก็ไปคํานึงไปคิดถึงเรื่องขั้นพิธการท่า น, นบรรลุเร็วเพราะนั้นบรรลุที่หนึน่ที่นนี่ฟังเทศฟังธรรมก็ได้บรรลุนักผลนิพพานเราฟังแทบล้มแทบตายเรียนแทบล้มแทบตายปฏิบัติแทบลมแทบตายเรเห็นได้อะไร มันขนาดไหนก็ไม่รู้ไอ้แทบร่มแถบตายนั่นที่อาล้มแบกับแทบล่มก็คือล่มลงหมอนแทบตายกับตายลงหมอนนั่นตอนนั้นเองมันไม่เห็นพอที่จะรับความลำบากกระบวนแทบล่มจับตายตังที่ว่านั้นจริงๆดังพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายท่านดาเนินมาถ้าทําแบบแทบล่มจะตายที่ถูกต้องดีงามจริงๆรชอบทำจริงจริงอย่างท่านนั้นกิเลสมันจะทนไปได้เหรือเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันกับครั่งพุทธการธรรมะที่นํามาปราบทหา ร, รๆๆๆกิเลสก็ คือสติคือปัญญาศรัทธาความเพียรเหมือนกันหากว่าสิ่งเหล่า น, นี้มีกําลังเพียงพอที่เียจะต้านทานได้อย่างไงมันจะต้องร่วมจมที่ผายผลปี้ไปเช่นเดียวกับข้างกุฏกาศแต่นี่เรา เ, เพียงไปเหยะเอืมไปแยแยมันเพราะนั้นพอมันตื่นขึ้นมามันก็ตวาดเราเอาอนี่เหนื่อยนั้นเห็นไหมมันตวาดนี่เหนื่อยนะนยนะไม่ไม่เป็นท่าแล้วเนี่ยเราพักผ่อนหน่อยเถอะสบายนอนเถะดีกว่าอะไรบ้างทำเล็กเล็กน้อยก่อน โง่งดจโงใจไปนู้นไปตามเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะที่ไหนไม่รู้เราขอบเขตจักรวาลไหนจนไม่คํานึงกคำนวณพอจะได้สติฟื้นกลับขึ้นมาแล้วโหนี่นั่งภาวนาตั้งนานแสนนานยังไม่เห็นได้เรื่องอะไรเลยนี่หัวขั้นพุทธการท่านภาวนาได้ครั้งเราเนี่ยภาวนาแทบตายทำไมไม่เห็นได้ก็แทบตายตะคิดจนแทบตายยุ่งจนแทบตายไม่เห็นค่ากิเลสจนแทบตายเลยนี่เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ไม่ได้นีน่เหตุมันไม่ตรงกับ ความจริงผลจะตรงกับความจริงไปได้อย่างไรเหตุตรงกับความจริงก็ดังที่ท่านพาดำเนินมาสติก็ให้มีดังที่ท่านว่าปัญญาซึ่งควรจะขุดค้นกิเลสประเภทใดก็ให้มันมีความแยบคายทันกับเหตุกับผลทันกับกลุ่มมายาของกิเลสกิเลสก็ต้องหลุดลอยไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือควรแก่เหตุเป็นอย่างนี้ ผลก็เป็นผลที่พึงพอใจเกิดขึ้นโดยอย่ลำดับอะไรจะแก้ยากยิ่งกว่ากิเลสไม่มีอะไรแก้ยากข้ายากที่สุดก็คือกิเลสมันไม่ได้ตายง่ายๆมันเหนียวแน่นแก่นกิเลส จ, จริงๆเพราะฉนั้นจึงต้องเ ใ, ใช้ประโยชน์พยายามกันเต็มที่เต็มฐานทีเดียวทุ่มเทกันลงบางครั้งต้องมอบชีวิตจิตใจ มันจะตายก็ตา ย, ตายถึงเวลาที่จะสู้กันแล้วอ้าวตายก็ตายไม่ตายให้หรูไม่ตายให้ชนะมันต้องฟาดฟันกันลงขนาดนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสมันยอมสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งที่อัศจรรย์ไม่เคยรู้ก็เห็นเลยตั้งแต่วันเกิดมาก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเรยพราะความเพียรอัศจรรย์เพราะสติปัญญาทันกับเหตุกับผลควรแก่การแก้กิเลสได้ โดยชอบทำพิเรดหลุดลอยไปความสันสว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นมาความสุขผาสุขสบายภายในจิตใจจนกลายเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในตนทั้งๆที่ไม่เคยอัศจรรย์ไม่เคยอัศจรรย์มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างไรมันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะความเพียรอันถูกต้องดีงามเป็นธรรมชาติที่ขุดคน้นสิ่งที่อัศจรรย์ให้ปรากฏขึ้นมามันต้องปรากฏเมื่อเหตุผลเพียงพอกันแล้ว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 ทำลายและที่พายไปอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่าสุขาถธรรมที่ตรัสรู้ชอบแล้วะและไม่เฉะนั้นก็ไม่เรียกว่านิยานิถถธรรมคือนําผู้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้นี่จะมีทางสงสัยที่ไหนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีทางสงสัย้เรื่องสงสัยอัดสงสัยทำสงสัยมรรคุิพานมันเป็นเรื่องกิเลส ย, ยุแย่ต่างหากมันไม่ให้เราปฏิบัตินี่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 อยู่ในเราคนเดียวคนนี้นี่ยสร้างไรก็มีอย่างนั้นถ้าไม่สร้างก็ไม่มีจังหวะนี้อยู่กับเราจะให้กิเลสมันหลอกลวงเราได้อันนั้นปีเท่านี้เดือนมันเป็นต้องหลอกจอกคล้องทำไปในปัจจุบันปัจจุบันเพราะความรับผิดชอบเรานี่รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าถึงปีนั้นปีนั้นเราถึงจะรับผิดชอบเรา ระยะนี้เราปล่อยตัวไปจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เวลาหิวยังรับทานนี่ว่าไงหิวน้ำก็รับทานหิวข้าวก็รับทานหิวนอนก็ต้องนอนเจ็บไข้ได้เปื่อยก็ต้องหาอยู่พยายามรักษาเนี่ยแล้วรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาอืการประพฤติปฏิบัติทำเราจะหาเวลาเวลาที่ไหนมันเหมาะสมเวลาใดการใดเราทำของเราทั้งนั้นเนี่ยสมกับความรับผิดชอบตนเพราะจิตมีความหวัง ความสุข่ตลอดเวลาไม่เคยจืดจางเลยความหวังอันนี้ประจำอยู่ภายในจิตไม่มีใครที่จะจิดจางแม้จะทุกข์จนหุนโลกขนาดไหนก็ตามความหวังความสุขความเจริญนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นภายในใจเป็นแต่เพียงว่ามันเป็นไปไม่ได้เท่านั้นเองหรืเมื่อพอที่จะเป็นไปได้แล้วทําไมจะใครทําไมจะไม่อยากได้นีืเราเป็นผู้ควรควรอยู่แล้วที่จะสร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจด้วยอัดด้วยทำเราควรจะทําไปโดยลําดับลำหนึ่สมกับเรารับผิดชอบเราทั้งเป็นทั้งตายตลอดการ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 ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางเราก็พยายามสร้างความดีให้พอสร้างเข้าที่ใจเนี่ยนะใจนี่แหละคือภาชนะสำหรับทรรมทั้งหลายบรรจุเข้าที่ใจกิเลสเคยไปบรรจุอยู่ในใจนั้นมีมากมายไลายกองใจจึงกลายเป็นของศสโปรกเป็นภาชนะที่ศสโปรกด้วยสิ่งที่สโปรกทั้งหลายคือกิเลสนี้พยายามชั้นล้างสิ่งที่ศสโรก ภายในภาชนะคือจิตนั้นออกโดยลําดับลำดับนำธรรมะปฏิบัติธรรมะส่งเสริมธรรมะให้เกิดท่านมีขึ้นภายในใจกลายเป็นภาชนะแห่งธรรมขึ้นมาแทนที่ของกิเลสเราจะมีแต่ความระเสมสําลานทั้งปัจจุบันอนาคตตลอดกาลไหนๆก็ตามทามเมื่อมีธรรมคือความดีงามเป็นเครื่องบันจุอยู่ภายในใจิใจแล้วผู้นั้นไปใส่ก็ไม่จนกรอกจนมุมมีความสุขความสบายอยู่กับใจนั่นแหละ ไม่ว่าจะไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามไม่สําคัญสําคัญที่ให้มีธรรมอยู่ภายในใจความดีอยู่ภายในใจใจนี่แลจะเป็นผู้ไปเมื่อใจมีธรรมแล้วใจนี่แหลจะเป็นผู้มีสุขไปอยู่สถานที่ใดก็ไม่ปลาญจากสุขเพราะสุขอยู่ที่ธรรมธรรมอยู่ที่ใจเป็นผู้สมมักสมหมายเอาละการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรวันนี้ดุติเพียงเท่านี้